ช่วงที่ผ่านมาเราก็สวดสารเสริมพุทธคุณธรรมคุณสาวคุณแล้วก็ชัยมงคลคาถารับปีใหม่ตอนนี้เราก็รับอรุณนะด้วยการสวดมนต์แล้ถึงคุณพระตนัดไตรแล้วก็น้อมใจนึกถึงพุทธภาสิทธพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ก็ถือว่าเราเริ่มต้นปีใหม่แล้วก็รับอรุณด้วยสิ่งที่เป็นสิริมงคลนะที่ช่วยเติมความสงบเย็นเป็นกุศลให้กับจิตใจของเราตอนนี้ผู้คนจำนวนมากมายนะกําลังหลับไหล บางคนก็อาจจะเรียกว่าสลบสลายไปเลยนะไม่ใช่แค่หลับไหลเพราะว่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยการกินการเที่ยวการเล่นสนุกสุดเยี่ยงจนหมดเรี่ยวหมดแรงไปก็มีหลายคนเรียกว่าส่วนมากยังหลับอยู่แต่เราตื่นขึ้นมาทําสิ่งที่เป็นมงคลต่อ ชีวิตจิตใจของตนเองเพื่อพร้อมรับวันใหม่แล้วก็ปีใหม่ที่จะมาถึงเมื่อเราจะเริ่มต้นสิ่งใดก็ตามนะถ้าเราเริ่มต้นด้วยการทำความดีทำสิ่งที่เป็นมงคลนั้นก็ถือว่าเรามีความพร้อมในการที่จะทำสิ่งนั้นให้สาเร็จ อันนี้แหละที่เรียกว่าเป็นเลิกดนะีเลิกดนะีเกิดขึ้นเมื่อเราได้ทำในสิ่งที่ดีเป็นธรรมนะเป็นมงคลอย่างที่เราสวดนะยันโตเนี่ยหรือว่าใช้มงคลคาถา นะความหมายในท่อนท้ายก็จะพูดว่าเนี่ยเมื่อใดก็ตามที่เราทําดีนะเมื่อนั้นก็เป็นเลิกดีเป็นยามดีเป็นวาระที่ดีเมื่อเป็นเลิกดีแล้วก็หมายความว่าโอกาสที่จะประสบความสำเร็จหรือว่าผ่านพ้นสิ่งต่างๆไปได้ด้วยดีนะก็มีมากขึ้น บางคนละอา จ, จะเลือกนะเริ่มรับปีใหม่ด้วยการทำบุญใส่บาตรนะอันนั้นก็นเป็นสิ่งที่ดีเช่นเดียวกันเราเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการทำความดีด้วยการให้ทานเติมความสงบเย็นให้กับจิตใจความปิติทำให้ใจเป็นบุญ บุญนี่เป็นเชื่อใความสุขเมื่อเราเริ่มต้นทำสิ่งที่ดีแล้วนะต่อจากนั้นไปนะมันก็มีโอกาสที่จะราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีนะเช่นเดียวกันตอนนี้ก็ถือว่าเราได้เข้ามาสู่ปีสองพันห้ารอยห้าสิบแปดสักราชใหม่ ก็อย่าให้ให้มันใหม่แต่ปีนะใจเราก็ต้องใหม่ด้วยใจเราอย่าเก่าครั้งปีนะถ้าใจใจเราเก่าครั้งปีมันก็ปีใหม่มันก็ไม่มีความหมายมันก็เป็นแค่เปลี่ยนตัวเลขของศักราชท่านนั้นเองใจเราก็ต้องใหม่ตามไปด้วย การที่ใจเราจะใหม่นะส่วนนึงก็เกิดจากการที่เราได้ทำนะสิ่งที่เป็นเป็นบุญเป็นกุศลนะอย่างที่พูดเมื่อกี้นี้นะการสวดมนตนะ์การทาบุญใส่บาตก็เป็นการชำระใจให้สะอาดแต่ว่าถ้าเราสวดมนต์แล้วเราทำบุญแล้วแต่ใจเรายังหวนกลับไปนึกถึงเหตุการณ์เก่า ในปีที่เพิ่งผ่านไปหรือว่าเหตุการณ์ในปีก่อนหน้านั้นสองปีก่อนหน้านั้นหรือว่าสามปีที่แล้วนะอันนี้ก็เรียกว่าใจไม่ได้ใหม่ตามไปด้วยตัวอยู่ปีสองห้าห้าแปดนะแต่ว่าใจยังอยู่ปีสองห้าห้าเจ็ดหรือว่ายังอยู่ปีสองห้าสี่เจ็ดอยู่เลยก็มี หลายคนเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะตัวอยู่ปีใหม่นะแต่ว่าใจยังอยู่ปีเก่าความมันคล่องมันติดขัดนะอยู่กับเหตุการณ์เก่าๆที่ทำให้เจ็บปวดผิดหวังโกรธเคืองหรือบางทีถึงขั้นพยาบาทเครียดแคนแล้วก็มีหรือไม่ก็เศร้าโศกเสียใจ รู้สึกผิดนะติดค้างใจนะถ้าตัวอยู่ปีใหม่แต่ใจอยู่ปีเก่านะมันก็ไม่ขอท้าเงันนะต้องพาใจของเรานะกลับมาออกจากปีเก่าไม่ว่าเก่าแค่ไหนก็ตามมาอยู่นะที่พศนี้สองหนั่นก็คือเรานะการสลัดการวาง เรื่องเราเก่าๆให้มันออกไปจากใจไม่แบกเอาไว้นะอย่าให้เรื่องราวในอดีตมันพันธนาการจิตใจของเราล่ามจิตล่ามใจของเราจนกระทั่งไปต่อไม่ได้บางคนใจก็อยากจะมาอยู่ปีห้าห้าแปนะแต่ว่ามันถูกล่ามไว้ด้วยเรื่องราวในอดีต จะไปข้างหน้าได้ก็อย่างที่ได้หลวงพ่อโตท่านพูดไว้นะก็โซ่ยังไม่แก้ปัจจัยยังไม่ไขนะจะไปได้อย่างไรนะใจถูกล่ามโซ่ไว้ถูกกักขังไว้นะกับเรื่องราวในอดีตไม่มีใครทำนะเราทำตัวเราเองไม่มีใครที่จะล่ามใจเราไว้กับ เหตุการณ์ที่ย่ำแย่เร็วลายได้แม้แต่ศัตรูที่เร็วร้ายที่สุดนะก็ทำอย่างนั้นไม่ได้กับเราไม่มีเดใจของเราที่ทำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็ให้รู้จักนะแก้โซ่ไนะขกุญแจนะปล่อยแจงเราให้เป็นอิสระจากอดีตนะหยุดให้มันกลับมาอยู่กับ ปัจจุบันกลับมาอยู่กับปีใหม่อันนี้รามไปถึงการเปิดเพื่องอารมณ์เก่าๆที่หมักหมมในจิตใจด้วยที่จริงก็เรื่องเดียวกันนะถ้าหากว่าเราไปใจเราไปปักติดหรือว่าคล่องติดอยู่กับเหตุการณ์ในอดีตในอารมณ์ที่เป็นปฏิปักษ์เป็นปฏิกูลนะต่อจิตใจมันก็ ยอมเพิ่มพูนตามมาด้วยความโกรธความเศร้าความเครียดแค้นต้องวางลงนะระบายถ่ายเทมันออกไปจากจิตใจซึ่งก็ทำได้ด้วยการที่ใจเราเนี่ยกลับมาอยู่กับปัจจุบันนะกลับมาอยู่กับอพอสอศักราดไปซะ นั่นเพราะท่าหร่ถ้าใจเรายังไปวนเวียนคล่องแวะติดขัดอยู่กับเรื่องเก่าๆมันก็อารมณ์นะหมักหมมมันก็เกิดขึ้นตามมาเพราะอารมณ์เนี่ยมันสัมพันธ์กับความคิดนะนะคิดเรื่องร้ายนะใจก็เป็นอกุศลพราะถูกพราะมีอารมณ์โกรธเสียใจนะขับแค้น ขุ่นเคืองน้อยเนื้อต่ำใจเกิดขึ้นมาลำก็สะสมวันแล้ววันเล่าปีแล้วปีเล่าทำให้ใจเรานี่มันหม่นหมองเก่าคร่ำคร่ า, าน่เพียงแค่เราไม่ไม่ปล่อยใจให้เป็นนึกถึงเรื่องราวในอดีตในลักษณะองการคร่ำครวนหรือว่า เชแค้นอะไรอารมณ์อกุศลก็ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นในจิตใจเราได้จะทำกิจได้ต้องอาศัยสตินะต้องมีสตินะ ต, ต, นะต้องมีความรู้สึกตัวเพราะว่าถ้าไม่มีสติเมื่อไรใจมันก็ย้อนถอยหลังกลับไปไปคล้องแวะติดขัดอยู่กับเหตุการณ์ในอดีต ทำแล้วสําเหราใจเราจะอยู่พอสอนน้สักรานใหม่นี่ก็เพราะว่าเรามีสตินะกํากับรักษาใจเอาไว้นะสติก็จะทำให้เรารู้ทันอารมณ์ที่มันครอบงําใจอารมณ์ที่เศร้าหมองอารมณ์ที่โกรธแค้นอารมณ์เก่าๆไม่มีสติมันก็วางไม่ได้ดัน้นใจเราจะใหม่ได้ก็ต้องมีสตินะ สติเป็นเครื่องนะเป็นเครื่องรักษาใจให้ให้ปกติใจเรายังจำใหม่ได้นะด้วยการที่มีการรู้จักให้อภัยนะการให้อภัยนี่นก็เป็นตัวตัวช่วยนะที่ทำให้เราสามารถทีปล่อยวางได้ถ้าไม่ให้อภัยใจมันก็ยังคล้องแวะติดขัดอยู่กับอดีตซ้ำซาก มันไปมันไปต่อไม่ได้นะการให้อภัยนะเป็นเป็นสิ่งที่จะช่วยนะปลดโซ่ปลดล็อกให้ใจของเรานี่ได้หลุดออกจากเรื่องที่มันเจ็บปวยซ้ำซากถ้าไม่รู้จักการให้อภัยนะใจมันก็สดใหม่ได้ยาก คิดต่วนเวียนอย่าเรื่องเก่าๆานั่นแหละผ่านไปยี่สิบปีสามสิบปีนะมันก็ยังดูสดดูใหม่แต่จริงๆแล้วมันกลับทำให้จิตใจย่าแย่ลงให้อาภัยในที่นี้ไม่ได้หมายเฉพาะให้อาภัยผู้อื่นเท่านั้นนะแต่รวงให้อาภัยตัวเองด้วยความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในอดีตเราต้องระหนักว่ามันก็เป็นธรรมดาของมนุษย์คนนึ่งเขาก็ผิดพลาดได้เพราะมนุษย์เราอ่อนแอ ความอ่อนแอก็ทําให้บางคนทําร้ายเราทําร้ายจิตใจของเราทรําลายความไว้เนื้อเชื่อใจของเราทําให้เราเสื่อมศรัทธาน่าไม่ใช่แค่คนอื่นที่อ่อนแอนะพั้งพาดเราเองก็เหมือนกันเราก็อ่อนแอบางทีเราก็เห็นแต่เห็นแก่ความสนุกชั่วคราวหรือเห็นแต่ประโยชน์ระยะสั้นทําให้เรา ละเลยนะีสิ่งที่ควรจะทำเช่นสิ่งที่ควรจะทำกับผู้มีพระคุณทำกับคนที่มีคุณค่าอาจจะเป็นเพราะอารมณ์ชั่ววูบนะของปู้ทุชนแนละ้วก็ทำให้เราได้ทำสิ่งที่น่าละอายน่าราังเกียจ ต, ต, ต่อไปแต่เพราะเราเป็นมนุษย์นะมันก็ต้องมีผิดมีพลาดถ้าเราจะเอาความผิดพลาดเป็นครู มันก็จะช่วยทำให้เราจักปลดเปลื้องบาดแผลปลดเปลื้องความรู้สึกผิดติดค้างใจได้มันก็จะสามารถช่วยเยียวยาจิตใจของเราได้เหมือนกันการให้อภัยผู้อื่นการให้อภัยตัวเองก็จะทำให้เราสามารถที่จะเป็นอิสระจากอดีต อดีมันจะขังเราไม่ได้ต่อไป้าทำให้เราสามารถที่จะมองไปข้างหน้าแล้วก็ไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจด้วยใจที่โปร่งโล่งเบาสบายการทำใจให้ใ ห, ใหม่ที่จริงมันควรจะทำได้ตลอดเวลานะไม่ต้องรอให้ปีใหม่ แต่ว่าปีใหม่ก็เหมือนกับเป็นตัวเป็นตัวเป็นตัวกระตุ้นเตือหรือเป็นตัวตอกย้ำกับเราว่าเราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมออันนี้ประโยชน์ของวันปีใหม่หรือการเริ่มต้นปีใหม่ว่าทุกอย่างมันเริ่มต้นได้ใหม่เริ่มต้นใหม่ได้อีก ชีวิตเราก็สามารถจะเริ่มต้นใหม่ได้อีกจิตใจเราก็สามารถจะทำให้มันใหม่ได้อีกอที่แล้วก็แล้วกันไปปล่อยให้มันเป็นอดีตไปกลับมาเริ่มต้นกันใหม่หรือว่าที่ทำดีอยู่แล้วก็ทำให้ดียิ่งขึ้นทำให้ใจเราใหม่อยู่เสมอการที่ใจใหม่ก็เหมือนยังหมายถึการที่มันมีคุณภาพใหม่ด้วย มีคุณภาพใหม่เพราะว่ามีสตินะมีเมตตานะมีการรู้อยากให้อภัยสิ่งช่วยทำให้ใจเราเนี่ยใหม่อยู่เสมอเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้พูดไปแล้วคือการมีสติเพราะสติมันจะเป็นช่วยกดเครื่องอารมณ์ต่างๆอยู่ยิ่งถ้าเรามีสติอยู่ต่อเนื่องมีความรู้สึกตัวทุกขณะ ใจเราก็จะใหม่อยู่เสมอแล้วมันทำให้เรานะมีพลังที่จะก้าวไปข้างหน้าต่อไปเรามุ่งหวังอะไรในชีวิตนะเราจะทำอะไรกับเวลาที่เหลืออยู่อันนี้ก็ควรเป็นการบ้านนะสำหรับพวกเราเป็นคำถามที่เราควรจะหาคำตอบเพราะว่า มันไม่ใช่วิสัยของผู้มีปัญญานะที่จะอยู่ไปแบบไปวันวันหนึง่งการอยู่ไปวันวันมันก็ไม่ใช่นะเป็นวิสัยของผู้มีปัญญาจริงอยู่นะเราควรอยู่กับปัจจุบันนะแต่ว่าการอยู่กับปัจจุบันไม่ได้แปลว่าอยู่ไปวันวนะันอย่างไรอนาคตไรจุดหมาย นู่นเราก็ต้องมีจุดหมายแต่ว่าทันทีที่ลงมือทำหรือก้าเดินไปสู่จุดหมายนั้นไงก็ต้องอยู่กับปัจจุบันเหมือนกับ น, นับปีนเขานับปีนเขานี่แม้เขาจะรู้ว่ายอดเขาคือจุดหมายแต่นับปีนเขาที่เก่งเนี่ยเขาจะทันทีที่เริ่ม เริ่มเดินทางเริ่มปีนเขาใจเขากจ็จะอยู่กับพื้นที่อยู่ทอดอยู่ข้างหน้าแล้วก็คิดแต่เพียงว่าเราจะก้าวไปข้างหน้าแต่ละก้าวแต่ละก้าวอย่างไรให้ปลอดภัยบางทีชื่อของคนรอมก็มันไม่ตายจากการไต่การเดินไต่ลวดนะเคยดูสารคดีของ ชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งนะแกเป็นคนที่ประหลาดแกมีความใฝ่ฝันที่จะเดินบนเส้นลวดที่ขึงระหว่างยอด World Trade c e n t e ตนะตึกแฝดนะมีความฝันตั้งแต่ตึกนั่นยังไม่สร้างตั้งแต่เขายัางเล็กนะพอตึกมันเริ่มต่อตึกสร้างใกล้จะเสร็จเนี่ยเขาก็ฝันว่า เขาอยากจะเดินบนเส้นเลือดที่ขึงระหว่างตึกยอดตึก2ตึกนั้นเขาก็เก็บพร้อมรอมรีนะีแล้วก็เดินทางามาอเมริกามากรุงนิวยอร์กเมื่อรู้ว่ามันสร้างใกล้จะเสร็จแล้ววางแผนเป็นแรมเดือนแล้วเขาก็ทําสําเร็จนะแล้วก็สามารถที่จะแอบขึ้นไปบนยอดตึก แล้วก็ขึงลวดสองลวดโดยการใช้ธนูหญิงเพื่อให้เชือกมันสามารถจ ะ, ะขึงตึงระหว่างสองยอดได้แล้วเขาก็พอรุ่งพอรุ่งสางเขาก็เริ่มเดินตึกนี่มันสูงห่างจากสูงจากพื้นดังสี่ร้อยสิบเมตรนะเกือบครึ่งกิโลตกลงมาก็ตายแน่แต่เขาสามารถที่จะเดิน บนเส้นลวดระหว่างตึกสองตึกนี้ได้อย่างสบายประมาณ45สบ้านาทีนะเดินกลับไปกลับมาเจดแปดครั้งไม่มีเครื่องช่วยอะไรมากนอกจากไม้ยาวๆที่เอาไว้ถือสำหรับนะักคอยสร้างสมดุลตำรวจเห็นมีคนเห็นก็ไปเรียกตำรวจก็ตำรวจก็มารอรออยู่ที่ปลายเชือกปลายลวด ต่าเขาก็ไม่ยอมให้จับนะพอถึงปลายลวดเขาก็หันหลังกลับแล้วก็เดินไปอีทยอดหนึ่งทําอย่างเงี้ยเจ็ดครั้งได้พอเขาพอใจและหนําใจแล้วเขาก็ให้เยอะยอมให้ตำรวจจับก็มีคนถามว่าเขาทำอย่างไรนะเขาบอกว่าตอนตอนที่เขาเดินอยู่บนเส้นลวดในใจเขาไม่ได้นึกถึงยอดนึกถึงจุดหมายที่อยู่อีกปลายทางของลวดเลยเขาคิดแต่เพียงว่า ขยับเท้าไปแต่ละข้างแต่ละข้างขยับเท้าซ้ายให้ไปอยู่ข้างหน้าเท้าขวาขยับเท้าขวาไปอยู่ข้างหน้าเท้าซ้ายคิดแค่นี้แหละสิ่งที่ยากท้าทา ย, ยแต่ว่าสำเร็จได้ด้วยหลักง่ายๆแค่นั้นคือว่าแค่อยู่กับปัจจุบั น, นยอยู่กับแต่ละขณะแต่ละขณะแล้วเขาก็พูดวันนี้ชื่อคนรมก็ไม่ตาจาก การเดิมมันเส้นลวดนะคือว่ามันเสี่ยงแล้วก็พร้อมจะสามารถจะตกไปได้ทุกเวลาอันนี้ก็ตรงกับนะที่ผู้เจ้าสอนคนเรานีสามารถจะตายได้ทุกเวลาบุคคลพึงรูกว่านะเราสามารถจะหายเราสามารถจะตายได้ทุกขณะทุกลมหายใจแนะม้แต่การคิดว่าเราจะอยู่ได้จนถึง เราจะอยู่ได้จนถึงเย็นนี้แล้วก็ตายในตอนคล่าก็ยังถือว่าประมาทหรือคิดว่าเราจะอยู่ได้จนถึงกลางวันนี้แล้วก็ตายก็ยังประมาทอยู่ที่ว่ากินข้าวเสร็จแล้วจะตายก็ยังประมาทต้องคิดว่าแม้ขณะที่กินข้าวก็อาจจะตายได้กินข้าวไปสีห้าช้อนก็อาจจะตายได้หรือขณะที่กาลังเคี้ยวข่าวนี้ก็อาจจะตายได้หรือขณะที่หายใจเข้าอยู่นี้ ไม่ทันหายใจออกก็ตายได้หายใจออกไม่ทันหายใจเข้าก okay? ็ตายได้แล้วคนร่าก็มีโอกาสที่จะตายได้ตลอดเวลานั่ถึงจะมีคําพูดว่าเนี่ยระหว่างลมหายใจถัดไปกับชาติหน้านี้ไม่มีใครรู้หรอกว่าอะไรจะมาก่อนมันไม่ใช่แค่ว่าระหว่างพวกนี้กับชาติหน้าที่ไม่มีใครรู้ว่าอะไรจะมาก่อนแต่ลมหายใจถัดไปกับชาติหน้าเนี่ย อย่าไปคิดว่าชานาจะมาที่หลังลมหายใจถัดถัดไปนะนอาจจะไม่มีการหายใจในขณะถัดไปก็ได้เพราะว่าตายซะก่อนก็ชานาก็มาอีกทีในแง่นี้ชื่อเราก็เหมือนกับการเดินอยู่บนเส้นลวดคือว่าสามารถจะตายได้ทุกเวลาการอยู่กับปัจจุบันเนี่ยสิ่งสําคัญมากทําปัจจุบันให้ดีที่สุด แต่ว่าก็ไม่ใช่วม่ามีจุดไม่ใช่ไม่มีจุดหมายจุดหมายของชาวพุทธคืออะไรนะจุดหมายของผู้มีปัญญาคืออะไรนะการทรมาหากินการมีทรัพสมบัตินะมีงานการมีฐานะอาชีพยศถาบรราศักตนี่ก็เป็นจุดหมายของผู้คนมากมาย พุทศาสนาก็ไม่ได้ ป, ปฏิเสธสิ่งนี้นะแต่ว่าอันนั้นถือว่าเป็นตัวช่วยไม่ใช่เป็นจุดหมายในตัวมันเองนะมันเพียงแต่ช่วยทำให้หาการดำเนินชีทนี้ไม่มีความทุกข์ความยากมันเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้ดาเนินชีตได้อย่างได้ดีมากขึ้นสามารถจะช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นมากขึ้น อย่างอนาถปิณฑิกาเศรษฐีก็มี ม, มีเงินทองมหาศาลแต่ว่าก็ไม่ได้ใช้เพื่อผลประโยตัวเองแต่ว่าช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็ช่วยในการบำารุงศาสนาจุดหมายของเรานะว่าควรจะไปให้มากกว่า น, นั้นไม่ใช่ร่ำรวยมีชื่อเสียงไม่ใช่การมีชีวิตที่ยืนยาวนะ อันนั้นมันเป็นแค่เป็นส่วนเสริมในที่เราสวดเมื่อสักครู่นี่จงไปถึงที่ไม่มีน้ำจากที่มีน้ำจงละกามเสียเป็นผู้ไม่มีความกังวลจงยินดีต่อเฉพาะต่อพระนิพพานเป็นที่สงัดซึ่งสัตยินดีได้เดื่ยยากอันนี้ต่างหากที่น่าจะเป็นจุดหมายของพวกเราทุกคน มาถึงที่ไม่มีน้ําจากที่มีน้ำํำจงละการเสียเป็นผู้ไม่มีความกังวลจงยินดีเฉพาะต่อที่สงังข์จนดีเฉพาะต่อพระนิพพานเป็นปทิสงัดซึ่งสัตยินดีได้โดยยาก <c oughs> นิพพานความสงบเย็นสัตว์ยินดีได้โดยยากหรือว่าสัตว์ไม่ค่อยยินดีนะความหมายหนึ่งก็คือว่ามันไปถึงได้ยากอีกความหมายนึงคือว่าคนก็ไม่ค่อยได้ ได้อยากจะไปเท่าไหรนะ่มันไม่ใช่แค่ไปยากอย่างเดียวนะแต่ว่าไม่อยากจะไปเลยเพราะไม่ได้เห็นว่ามันดีเด่นยังไงนะนคนที่มองคนที่ไม่มีปัญญาหรือว่าคนที่มองไม่พ้นจมูกของตัวเองนี่ก็เห็นแต่ว่าเออยศถาบรรดาศรนี่เป็นสุดยอดแล้วเขาก็ไม่ได้รู้เลยว่าการที่จะได้มันมานี่มันเหนื่อยยากแค่ไหนได้มาแล้วก็ต้องทุกกับการรักษา แล้วแถมก็ต้องเศร้าโศกเสียใจนะเมื่อสูญเสียมันไปเพราะว่ามันใครๆก็เอาไปได้แต่ถึงแม้เอาไปไม่ได้ไม่มีใครขโมยไปสักวันหนึ่งก็ต้องวางมันหรือจักมันไปเพราะว่าตายเมื่อตายแล้วไปไม่ได้สักอย่างมีเงินร้อยล้านพันล้านก็เอาไปไม่ได้สักอย่างแล้วต้องกลับไปแล้วต้องไปเวียนเกิดเวียนตายใหม่ ก็ไปเริ่มต้นกันใหม่นะไปดิ้นรนกันใหม่ไปเหนื่อยกันใหม่แล้วก็ทุกทรมานกันอีกครั้งหนึ่งเวียนว่ายอยู่ในกองทุกนะไม่จบไม่สิ้นนะอันนี้ก็เป็นชะตากรรมงที่เห็นว่าไอ้ทรัพย์สินเงินทองยกถาบรรดาศักด์นี่เป็นจุดหมายชีวิตบาคนเหล่านี้เขาก็จะ ไม่ยินดีในในพระนิพพานหรือในความสงบเย็นอาจจะรู้ว่าเออมันก็ดีนะแต่ไม่อยากไปแต่ว่าคนที่ใคร่ครวนนะอย่างอย่างรอบด้านก็จะพบว่าไม่มีอะไรที่ประเสริฐไยกว่าพระนิพพานเราจะทำนั้นได้ก็ต้องนะ พยายามที่จะละกามเสียทำลายซึ่งความยึดติดถือมั่นในตัวตนแล้วก็ไม่อะไรนะทั้งอดีตหรือว่าไม่กังวลกับอนาคตที่ฉันเหยว่าเป็นผู้ไม่มีความกังวลเนี่ยไม่มีความกลัว ก, ก็ไม่ไม่มีความห่วงไม่มีความยึดติดในสิ่งใด พอถ้ายีดติดในสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามหรือคนใดคนหนึ่งก็ตามก็ยังมีความกังวลกังวลว่าจะสูญเสียไปแต่พอมีความยึดติดแล้วมก็ไม่มีความกังวลแล้วคนเราเนี่ยแม้ว่าจะแม้ว่าจะละกามได้นี่มันก็ยังมีความยึดติดในหลายอย่างนโดยพยุติติดในตัวตนยึดติดในตัวกูของโก ยอมสละสิ่งของต่างๆมากมายเวลาจะตายแม้ไม่มีอะไรไม่มีไม่มีทรัพย์สมบัติเหลือหล่ อ, หลอเลยเพราะยากจนแต่ก็ยังไม่อยากตายก็ยังยังทุรนทุรายนะเพราะว่ามันก็ยังมีตัวหนึ่งอยู่ยังมีสิ่งหนึ่งที่เหลืออยู่ก็คือตัวกูของกูยังมีความยึดมั่นในตัวกูอยู่ก็ทําทําให้ไม่ยอมตายสักที พอรับตัวยังกลัวตายและที่รับตัวเพราะยังมีตัวกูอยู่ให้ให้หวงแหนแต่ถ้าเกิดว่าเรา <c oughs> เห็นว่านี่มันเป็นความยึดติดอันเป็นที่มาของความทุกข์ก็ต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยที่จะวางจุดหมายปลายทางก็คือการที่นําพาชีวิตเขาถึงความสงัดซึ่งสัตว์ยินดีได้ยากนะคือผลิภาน จะถึงได้มันก็ต้องนะปล่อยวางสิ่งทั้งปวงแม้กระทั่งตัวตนมันมีคําอวยพอรอยหนึ่งที่บางคนฟังแล้วก็สะดุดนะบอกว่าขอให้เธอไรอนาคตหมดเนื้อหมดตัวนะอย่าได้ผุดอย่าได้เกิดนะ คนทั่วไปไม่เอาเลยนะไอ้คำอวยพรเนี่ยแต่ว่าจะมีแต่ถ้าไปถามนักปฏิบัตินี่เขาก็เอาเลยนะถ้าทําได้นะไรอนาคตก็คืออยู่กับปัจจุบันหมดเนื้อหมดตัวก็คือว่าไม่มีตัวตนหลงเหลืออยู่ก็คืออย่างตามๆคือรักสักยัตทิฐิได้สักยัติทิฐิก็เป็นสังโยชนนะเป็นสังโยชคเครื่องร้อยรักที่ทําให้สัตว์นี้ก็ยังวนเวียนเกิดเวียนตายนั่นแหละไม่สามารถที่จะ พ้นจากว่าทาสงสารได้สกฤติทิฐิคือความยึดติดถือมั่นว่าในกายนี้รนวะมทั้งใจด้วยว่าเป็นเราเป็นของเรายึดกายยึดใจดเป็นเราเป็นของเรายังมีความเห็นสําคัญผิดอยู่และการหลุดพ้นมันเริ่มต้นจากการที่ละความเห็นผิดได้นะว่ากายนี้นะใจมันเป็นเราเป็นของเรา แต่ละอย่างแท้จริงได้คือละอัตวาทุปาทานนะซึ่งก็ต้องนะเกิดจากการละอวิชาไดนะ้เมื่อละอวิชาได้มนก็ลาซึ่งอัตวาทุปาทานอัตวาทุปาทานคือความความยึดมั่นในความเชื่ออันมีอัตตาหมดเนื้อหมดตัวคือการที่ไม่เรียกพูดง่ายๆคือไม่มีตัวตน หลงเหลืออยู่อันนี้พูดแบบให้เข้าใจง่ายแต่ในความหมายจริงๆก็คือว่าไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนเพราะว่าไอ้ตัวตนหรือ ต, ต, ตัวกลวงกลวงมันไม่มีตั้งแต่แรกลนะมันไม่มีตั้งแต่แรกแล้วจะไปยึดอะไรมันก็มีแต่ไปยึดว่าในความเชื่อว่ามันมีพอเชื่อมันมีมันก็ดันมีจริงๆนะ เมือนคนที่กลัวผีนะผีไม่ไม่มีนะแต่ว่าพอเชื่อมีผี น, ะนี่มันก็มันก็ไอสิ่งที่เกิดสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาก็หลอกล้อให้นอนไม่เป็นสุขผวาไอสิ่งที่ไม่มีจริงแต่พอเชื่อมีจริงแล้วนี่มันก็มีทิพนนะรวมทั้งไอตัวกูของกูเนี่ยพอไปพอไปเชื่อมันมีจริงหรือไปหรือไปปรุงแต่งมันขึ้นมาเนี่ยมันก็กลายเป็น สิ่งที่มีอิทธิพลข้อบงำจิตใจเราปรุงแต่งว่ามีผียังไม่ยังไม่ไายเท่ากับปรุงแต่งว่ามีตัวกูของกูเพราะว่ามันมันตามติดไปทั้งในยามหลับยามตื่นทุกขณะเลยเพราะนั้นเนี่ยที่ถ้าบอกว่าเออขอเถอนะนะไล้โชคนะ หมดเนื้อหมดตัวลาอนาคตหมดเนื้อหมดตัวเนี่ยได้เป็นดีที่สุดเนะี่ยเพราะว่าทําให้ไม่ต้องผุดไม่ต้องเกิดนะไม่ผุดไม่เกิดคือว่านะไม่มีเหตุที่ต้องไปเกิดอีกเพราะว่ากรรมและวิบากหมดนะจบอันนี้ก็เรียกว่านิพพานนะนิพพานคือภาวะที่มันไม่ภาวะที่สงบเย็ยนพ้นจากทุกข์ วัตวสงสารเพราะไม่มีเหตุให้ไปเกิดได้อีกงั้นถ้าจะพรที่อยากจะได้นะก็พรนี่แหละนะหมดเนื้อหมดตัวนะไม่ต้องผุดไม่ได้เกิดนะจะเอาไหมนะนะสาหรับคนทั่วไปเนี่ยโอนเป็นคำสาบแช่งเลยนะแต่ว่าสรชาพูนี่เราทรรมาพุทธอ์พุทธเจ้าทวนทรกระแสรร อ, ยอยู่แล้วนะ ทวนกระแสชาวโลกเขาต้องการร่ำรวยนะต้องการมีมากๆต้องการครอบครองเยอะๆนะแต่ว่าพุทธเราสอนให้สละยิ่งสละทั้งหลายก็ยิ่งมีความสุขผู้ให้ความสุขย่อมได้แล้วความสุขต้องสละไปเริ่มจากการสละเงินสละทองลสละทรัพย์สมบัติที่เรียกว่าทาน นี่เป็นคุณธรรมข้อแรกเลยบุญกิริยาวัตถุสามประการก็เริ่มต้นที่ทานบุญกิริยาวัตถุสิประการก็เริ่มต้นทีทานบารมีสิก็เริ่มต้นทีทา น, านทศวิราชธรรมก็เช่นเดียวกันทำไมพระเจ้าสอนเรื่องทานเป็นข้อแรกนะเพราะว่ามันเป็นบันไดขั้นต้นของความสุขเราอยู่ปัจจุบันนี้ต้องมีมากๆต้องเอายเยอะๆนะแต่ว่าชาวผู้เราต้องสล่าวไป โดยมีพัะเวสันดร น, นี่เป็นแบบอย่างให้ให้เริ่มต้นด้วยการให้วัตถุสิ่งของต่อไปก็สละสิ่งที่เป็นเรื่องนามธรรมไม่ไว่าจะเป็นการรู้จักให้อภัยหรือว่าการรู้จักสละอารมณ์สิ่งเศร้าหมองออกไปจากใจ สละกิเลสสละความเห็นแก่ตัวสละแม้กระทั่งความยึดมั่นถือมันในตัวกูของกูนะนะเมื่อเมื่อสละนะหมดนะมันก็เรียกว่ามีไม่หมดสักทียิ่งสละจนหมดนะก็กลายเป็นว่ามีไม่หมดนะอย่างพุทธเจ้านี่ท่านสละหมดนะแต่ก็นะมี มีไม่เรียกว่าใช้ไม่หมดนะไม่ว่าจะเป็นยศถาบรรดาศักดิ์ที่คนเขามอบให้หรือว่าทรัพย์สินปัจจัยสี่เพราะว่าสลับหมดนะจึงจึงมีไม่รู้จักหมดแต่เพราะอยากได้อยากได้ไม่รู้จักหยุดนะ มันก็เ ร, กรู้สึกคร่องไปตลอดเวลายิ่งอยากได้ก็ยิ่งรู้สึกพร่องแต่พอสละนี่ก็กลับรู้สึกเต็มอิ่มนันนธรรมะของผู้เจ้าคําสอนของพระอคนี่มันมันทวนกระแสอยู่แล้วนะทวนทั้งกระแสโลกกระแสกิเลสนะทวนกระแสทุกข์งั้นปีใหม่นี่ก็นะถ้าหากว่าเราต้องการใจที่ใหม่นะก็ ก็ต้องมีจุดหมายชีวิตนะที่ถูกต้องแล้วก็แยมน้อม น, ำ, นำธรรมะนี่นำมาปฏิบัติขัดเกลี่ยจิตใจของตัวมีสติเป็นเพื่อนรักษา <c oughs> มีความรู้สึกตัวนะที่จะช่วยนะปกป้องใจไม่ให้หมนหมองเก่าคล่ำคล่าหรือว่าอ่อนลา้า แต่ละปีแต่ละปีนะร่างกายเรามันก็เก่าไปเรื่อยๆนะอันนี้คือความจริงที่ไม่มีใครหนีพ้นแต่ละปีแต่ละปีร่างกายเราก็เก่าลงเก่าลงแต่ว่าใจเราใหม่ได้เสมอนะครัที่กายมันเก่าลงแต่ว่าใจสามารถจะใหม่ได้และสามารถที่ใหม่ได้เสมอในพร้อมเดียวกันนะปีใหม่ชีวิตใหม่มันก็สามารถจะเกิดขึ้นได้เสมอเหมือนกัน ไม่ต้องรอหนึ่งม ก, กรานะถึงจะเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือว่าจะแก้ตัวใหม่เราทำได้ทุกเวลาทุกขณะที่จริงถ้าเราตื่นขึ้นมาด้วยใจที่มีสติรู้สึกตัวนะเปลี่ยนไปด้วยบุญสนนี่มันก็ถือว่านะชีวิตใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะแล้วมัก็ทำให้ วันนั้นกลายเป็นวันใหม่แ้วแต่ละวันแต่ละวันเมื่อกลายเป็นวันใหม่ก็กลายเป็นปีใหม่ได้ในที่สุดนะก็ถึงปีใหม่นะใครๆก็อยากจะได้พร น, นะพรที่จะให้ก็คงหนีไม่คนกัที่ย์พูไปแล้วนะเป็นการปิดท้ายนะไรอนาคตนะหมดเนื้อหมดตัวนะไม่ได้ฝุดไม่ได้เกิดแลวขอให พรที่มันเกิดขึ้นนะกับเราในที่สุดถ้าเป็นไปได้ก็ชาตินี้เลยนะเอาละนักกลับ้าพ